ใฮ่เลยค่ะค่ะแ่วัสด ก, การกับอาจารย์ร า, า, ายงานมาให้ยมรายงานก็ยมคิดว่าช่วงการฝึกฝืนน่ะยมก็ยังทําได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คืออาจจะฝืนยังฝืนยังไม่ค่อยได้ฝืนเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พยายามฝืนนะฮะแต่ที่ฝืนได้ก็คือจะเป็นแบบว่าอย่างเช่นช่วงเช้าจะต้อง ให้มานั่งยกมือให้ได้สามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะะอ่าโยมก็พยายามฝืนแบบว่าเอ่อก่อนไปกินข้าวโยมต้องกินข้าวเช้าโยมต้องพยายามฝืนนั่งให้ได้ให้ครบก่อนส่วนมากถ้าไม่มีธุระอะไรโยมก็จะพยายามทําให้ได้แล้วก็ตอนเย็นก็ต้องไปเดินจงกรมให้ได้ถ้าสมมุติว่าเรากดยังไม่ครบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะะถ้าแบบเราไม่ไปติดเรียนหนังสือหรือไปทําธุระอะไรแล้วก็จะพยายามไปเดินให้ครบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนว่า การรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันก็ก็ยังก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ยังแต่ว่าเขาพยายามทํานะฮะก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ทํำแต่ว่าไม่ไม่ได้ดีขึ้นมากแบบคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่บางทีก็รู้สึกตัวว่าบางทีพอเราไปไหนปุ๊บนึกขึ้นมาอยากจะรู้สึกตัวอยากจะมากดอ่ะตัวกดหาบางทีต้องควานหาหาไม่เจอบางทีก็ไม่สะดวกที่จะหาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลย จะไม่ได้ทําอะไรตรงเนี้นะคะวิงีเรานึกขึ้นไมน่ได้หรือว่าอย่างเมื่อวานที่ทเออพี่เป็นสีเขารายงานว่าเออกินข้าวอะไรองนี้ใช่ไหมคะบางทีแบบว่าเรารู้สึกตัวว่าเรากาลังจะกินละเราก็เตรียมตัวกดตัวไว้ละเช่นเราจะกินไม่้งเสี้ยวแล้วก็แล้วก็พอปรุงไปปรุงมาอ่ะปรุงไปชิมไปลืมกินไปจนก็จะหมดแล้วอะไรเนี้ยมันก็เหมือนว่าเขาเรียกอะไรไม่ทังกิเลสใช่ไหมคะ ก็แบบกินไม่จะกินม่จะเกือ <Bur ak> จะหมดแล้วเพิ น, นึกได้เอาตัวกดเรายอยู่ที่ไหนยังไว้ได้กดเลยขนาดวางมันก็ข้างแล้จะลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องแบบพยายามฝุกฝืนกิเลสให้มากขึ้นเอ่อแล้วทีนี้ว่าถ้าเอ่อหยุดแข็งอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นว่าเวลาโยมนั่งกรรมฐานน่ะถ้ายกมือสิบสี่จังหวะเกิดสมมติว่ามันคันเคิลหรืออะไรอย่างเงี้ยโยมก็พยายามก็อดทนได้อ่ะจนมันนั่งจบแล้วก็อดทนได้อะไรเงี้ยค่ะ คุณต pues ั figure, game, game, game. Pizza, <asan> ้งใจจะอดข้าวหรืออะไรเงี้ยก็ก็อดได้ไม่ไม่มีปัญหาหรือว่าเอ่อจะอดดูหนังอะไรเงี้ยพอดีวันั้นรู้สึกไม่ค่อยจะดีก็เลยอ้าวก็อดดูไปแต่ก็อดดูวันเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พยายามถ้าอะไรตั้งใจทําอ่ะมันทําได้แต่ว่าอาจจะทําได้อย่างเงี้ยจากัดเวลาแบบอะไรเงี้ยค่ะจุดอ่อนก็อย่างเช่นแบบอ่าอย่างเช่นว่ายังชอบโวยวาย เช่นว่าเออถ้าเรารีบร้อนเราจะหาของหาอะไรแล้วจะออกไปข้างนอกแล้วหาไม่เจอมันก็ยังจะข้อโ่ยวายอยู่ยังยังเอออะไรมันยังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าขี้ตื่นเต้นอย่างเไรใช่มาตื่นเต้นขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยกลัวว่าจะทําไม่ถูกกัวว่าทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเวลารีบร้อนจะทํำอะไรก็อาจจะอควบคุมยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า การติดหนังติดซีรีส์เรารู้ว่ามันไม่ไม่ถูกอะไรเงี้ยไม่ดีแต่ว่ามันก็ยังอยากทาอยู่อะไรเงี้ยค่ะอก็อออย่างเงี้ยค่ ะ, ะ, ก, คะก็พิจารณาอยู่แลนะมีวันหนึ่งที่แบบมันไม่สบายแนละ้วเรารู้สึกว่าเออแบบคืออาการไม่ค่อยจะดีเลยแล้วก็รู้สึกตัวแหละ ว, ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะแบบว่า อ, อ, อยูีดีมันมันร่าง ก, กายเนี่ยควบคุมไม่ได้มันจะไม่สบายขึ้นมามันก็ไม่สบายขึ้นมาอาการเป็นแบบจะเป็นจะตายด้วยอย่างเนี้ยแล้วก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะประมาทแล้วก็รู้แต่มันก็คิดขึ้นได้แต่มันก็ยังเอาชนะมันไม่ได้ <laughs> เจ้ า, กกาค่ะก็ะะที่รายงานเืก็คงจะมีแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามทําต่อไปนะเจ้าค่ะแบบว่าก็รู้ว่าทำเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยทําให้ ตัวเองมีความรู้สึกตัวดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะถ้าก่อนที่จะปฏิบัติเลยมันก็ไม่รู้สึกตัวเลยมาถึงปัจจุบันนี้มันก็พอมีความรู้สึกตัวบ้างรู้จำได้เลยจะต้องกดหรือจําได้ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะรายงานตมีแค่นี้ค่ะความรู้สึกโซธรรมชาติเคยขึ้นบมดยไหมก็ <c oughs> มอย่างเช่นอย่างเช่นกลืนน้าลายอย่างเงี้ย อันนี้ก็เราจะตอนนี้คือรู้สึกตัวได้แต่แบบคืนน้าลายนี่มันก็นานๆทีใช่ไหมคะมันไม่ใช่บ่อยเหมือนกระพริบตาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตรงไปต้องไปฝึกกระพริบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอแต่ทุกครั้งที่คืนน้ําลายแถวนี้ก็ก็รู้นะคะแบบว่าคืนมาปุ๊บมันก็จะรู้สึกตัวแต่หัดหัดรู้ความรู้สึกนี่มันเป็นแบบแบบธรรมชาติในมาคืนนะอะแล้วค่ะพัรูแบบ้แบบธรรมชาติรู้รู้แบบว่าสิ่งน่าเกิดก่อนแล้วก็รู้ จริงนะเกก่อนแล้วเคยรู้การศึกาก่อนแล้วเคยรู้ค่ะเครื่องไหว้ก่อนแล้วเคยรู้ค่ะอันนี้ก็ก่อนแล้วเคยรู้ก่อนร้อนก่อนแล้วเคยรู้แล้วค่ะส่วนทางใดกูมาได้ยินเสียงก่อนแล้วเคยรู้รู้ขอค่ะเพราะเพราะไอ้ออไอแค่รู้แหนะ่ะเป็นธรรมชาตินะ man เยอะขาวเยอะข่าวาอืมไม่ค่อมีทุกข์เท่าไหร่แล้วสนุกขึ้นเรื่อยเลยเราเดี๋ยวค่ะ <c oughs> ทุกไมค่อยเกินนัยเรสนุกเรื่อยใ่ๆอาจารย์แล้วก็หเลยใหญ่เพื่อนแ้ก็่เลยอะไรลงไปเลยเดี๋ยวค่ะก็แลมีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ น, นตัวเป็นตัวเดนตัวที่สามเนี่ยคือว่าตัวศึกษา ศกษมันที่เเราศึกษามันให้มากสักนิดแล้วตัวใหญ่แน่นราเลิกไปก่อนยึดอ่อนนะคิดไปตำประดิษหนึ่งที่สองก่อนหนึ่งคือฝึกออกคิดมาเขาออกก่อนคิดมาเราออกก่อน<ช>ออกอยู่กับฐานกายให้ดีก่อนนล้ค่ะอกกายมั้เนมอยู่กับกายเป็นต<ช><ช>ัมิบันเนี่ย่รอยแบบนี้เนี่ค<ช>่ะ<ช>คือหัดลดหัดให้จิตมันคุ้นให้มันคุ้นกินกกายให้ได้ ในรู้ต่า ภายนอภายในได้มีขึ้นแต่ทีนี้พอมาภาพฝินนะคะภาพฝินเขาเะโฉมให่ time is black does i n g u y ไปมาเราไปภาษาอจตนะทางกายที่ออกเสีมันเกิดนะมันเกิดเท่าไรเรรเู้นัเกิดอะไร ร, รู้ทนันใจเหมกันเอาทที่มันเกิดคอยคิดรู้่คิดโ ก, ดดกดๆๆรธกโกรธแค่น้ล้วแล้วอย่าไปยุดอย่าดีว่ามันจะมีตัวตัวแทรกแซงแทรกแซ ง, งที่จะจัดการบ้าง่มืองทีกระพายเราไหลตามไปบ้างอเราเผลอเผลินไปบ้างไอพวกนี้นนตัวพวกนี้ต้องสังก แต่ถ้ามันตอดแอรนะตอดแอร์สักไปภาคหนึ่งต่อไม่เป็นไรในภาคหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นภาคเนี่ยในภาคหนึ่งจะเป็นภาคในภาคหนึ่งมันจะมีตัวภาคสองอยู่ด้วยแถ้าเราไปตัวรู้สึกเราผ่าใจออกรู้สึกเราผ่าใจออกคือการฝึกรู้สึกให้มันออกมาจากอารมณ์เฉยภาคแรกในภาคที่สองเึกฝึกให้ความรู้สึกเนี่ยมันเฉยกอารมไม่ได้หรือการฝึกไม่ทันความม ถ้าอย่งนั้นก็เดินเดเดสองสามอ่าส่วนอันที่สามก็คือได้เรียนรู้ว่าเออมันมีอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างนี้ด้วยค่อยๆเรียนรู้ไปคือปัญหาในภาวะของการตัวรู้เรามีอยู่แล้วเป็นตัวสมารถเนี่ยตัสมารถคือตัวที่จะตั้งมั่นในการรู้แล้วไม่แสกแสงอะไรมันยังไม่พอซึ่งนยังไม่พอเพราะตัวประกาศต่างเรียนรู้อ่ะสิ่งต่างเนี่ยมันมันก็ไม่อย่างนั้นแหละ มันะไรไม่ได้หรอกมันมาไปมันมาแล้วไปหาก็หามไม่ได้เอาไว้ก็เอาไว้ไม่ไดแ้แค่เรียนรู้มันเฉยๆก็ไม่ไม่จัดการมันใดๆทั้งที่มันก็จะมันก็ค่อยมันก็ค่อยมีกําลังของสมาธิมากขึ้นสมาธิเรารู้ตรงๆรู้เฉยๆรู้ตามที่ก็เป็นและไม่ทาอะไรอ น, นี่คือช่วงสมาธิคือรู้ตรงเฉยๆไม่ทาอะไรก็พอ กายกรรมวิจิกรรมมโนกรมไม่กระติไปตามอารมณ์สัญญานที่ก็จะสั่งเราอยู่เรื่อยโนนนี่น่อยเรื่ยอยเราคยรู้เาดูเรา ส, สังเกตว่าเคยเนะี่ยเข้ามาน่ะเวลาเรเข้าไปสังเกตดูสิมันจะมีตัวส่วนเคยไหมเราจะอ ย, ยู่เรื่อยเห็นตาเห็นลูกหุเอานกะ็จะมีการคิดนึกขึ้นมากายกั่าสัมผัสกายจมูกด้กลิ่นหุบก็จะมีความคิดนึกขึ้นมามันจะเห็น ไที่ไปตางเขาหนี้เขาหนา้เขาหนุหน่มเวลาตาเห็นผู้ที่ผู้ติดิจที่ดูดถรถหรือเวลาแม้แต่ร่างกายสัมผัสก็เมันจะมีฝากฝั่งของสองากฝั่งนี่ยดกเป็มแบบชัดๆพวกอันเนที่เป็นคำทักตะโกมาตกมายังรู้รู้สันส้นๆรูไ้ ไ, ไนะ่แงไปบ่อยนะบางีเรายังนนไม่ไปเชิญนักแสดงผู้เปิดไฟตาจะเชิ เวลโดนกรนะกทงนะเยอะในช่วงในช่วงติดๆกันก็หลุดหลุดเหมือนกันค่นะมันก็ไม่ได้ความได้ออกออกทางนี้ค่ะพอแบบกระทงแต่ทิ้งระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงสิลาที ในนอกของเราเนี่ยทั้งเรื่องข้างในเรื่องข้างนอกเเราซ้อมรู้นอกรูงในร้นอกรู้ในไปเรื่อยๆเพื่อให้โฉภตรู้ที่อิสระทั้งนอกในเนี่ยปรากฏให้ชัดรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในไปเรื่อยๆการรู้นอกรู้ในแบบธรรมชาติคือ่อยให้เขาเกิดก่อนแล้วไปรู้ตามเกิดก่อนแล้วรู้ามเกิดก่อนแล้วรู้ตามอยู่เรื่อยๆี่เป็นการปร้ดึกขึ้นธรรมชาติ ถ้าบางครั้งรู้สึกมันอ่อนแอกินไรก็เอาตัวกดเข้ามาช่วยกดข้างนอกกดข้างในกดข้างนอกกดข้างในแล้วาอะไรก็ปล่อยปล่อยให้รู้ตามอีกรู้สึกว่าอ่อนอีก็เอาตัวกดมาช่วยสลับไปให้ตัวกดบ้างปล่อยให้รู้ธรรมชาติบ้างให้ตัวกดบ้าปล่อยให้รู้ธรรมชาติบ้างสลับกันไปเลนมันจะได้ให้จิตอ่ะมันวุ้นจริงกับการรู้ธรรมชาติมากขึ้นที่จะไ่แทรกเกับอะไรแค่รู้เฉย เพราะมาส่วนใหญ่ร so ู so so devant, ้แล้วพวกแบบโจโรงอะลงก็ไปแทรกแซงไปแทรกแซงลงก็ไปกระทํามันอะมันจะเคอยดังนเราอยู่ถ้าเราไม่เชิดมันนะถ้าเราไม่ดิ้นหอนะก็ฝึกไปนะฝึกไปกับปัจจิบันแล้วก็สิ่งแวดล้วมมีอะไรไหมขั้นสามเน่ยค่ะอาจารย์คือต้องกดตัวกดไหมคะหรือแล้วแต่เราว่าเราจะใช้จริงจริง ถจริงๆอ่ะมันมีอยู่ทั้งสาสามอย่างบางทีเราต้องใช้ทุกแบบทุกคนเนี่ยแบบตุกันนิดนึงแล้วก็ฝืนมันฝืนมันแล้วก็ปล่อให้เรียนรู้ทั้งสามกระบวนการเนี่ยต้องใช้ไปสอนท้องกันแต่คอยดักสังเกตดูปริมาณตไหนถ้ารับผลมากเป็นยังไงอ่าถ้าเร า, าเปล่อยมากเป็นยังไงถ้าเรียนรู้เยอะๆเป็นยงังไงก็ฝักไปกลับมากับไปกลับมาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากให้ให้ให้ให พวกเรายังบางทีนะพวกเรายังไม่เค้พร้อมจะไปภาคสามภาคสามเนี่ยเป็นภาคที่ว่าพ้องให้จิตมันเรียนรู้คู่เบี้ขาเยอะแล้วมือเบีขาเยอะจิตมีปัญญาจะแกะจิตใต้รากโยกกระทัทงจิตเองมันเฉยมันเฉ ย, มเฉ ย, มเฉยไม่เข้า ไ, ไม่เข้าไปของแม่กับอา ร, รมณ์มากมายละมันจิตจะมีจะจะเรียนรู้ต่อภาคสามได้ที่มันเปิดใจเรียนรู้ถุกเรื่อถ้างิี่เหลือมันเป็น ปล่อยให้เรื่องกาแสดงตัวตวนงมันตามเต็มที่เหมือนเราตั้งดูละครเลยนะผ่านสามในการนั่งดูละครเลยแต่ถ้าเรายัางแยกไม่่อออกให้ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ขั้นหนึ่งสองเข้าไปโจยๆก่อนเพื่อรอความเข้มแข็ขงเข้ามันเราติดตาเกียต ด, ดูว่าพวกเราพวกเราไอ้ไ่านหนึ่งสองเนี่ยภานสองเนี่ยทุกคนบางทีก็ได้เรียนรู้ตัวเองดีขึ้นนะ ได้เห็ความฝืนแต่ว่าถ้าอยาไปภาคสามเนี่ยมันยังไม่ลดมันยังลดพฤติกรรมในการที่เขาไปแทรกแยงยังไม่ไปลดเท่าไหร่ต้องลดพฤติกรรมในการแสกแสงและเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้นัง่งดูมาเฉยเนีฉยมันจึงจะมีกําลังในการเรียนรู้ภาคสามได้แต่ภาคสองภาหนึ่งกับสองเนี่ยก็จะช่วยให้กําลังตัวนี้ดีขึ้นนะเรียนรู้สังเกตะฝืนไปเรื่อย ในการสังเกตปุ๋ยจะเห็นภาคสามก็เยอะนะภาคสองคืออารมปืนพุ๊บเราเห็นอารมณ์เรานะั้นล่วงไปหายไปดับไปโดยเราไม่ทําอะไรเลยอันนี้มันเป็นการเรียนรู้ภาคสามเป็นโยเซสเข้าใจไหมเออนั่นแหละที่เราสังเกตตัวเวลาเราอยากบางอย่างหรือเราโกรธบางอยา่างแล้วเราก็รู้หมดไปด้วยแต่ เ, เรายังฝึกแมวปฏิกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นทําตามรันนี้ ไปก็เป็นจังหวะเอาภาคสามคือเรียนรูค้ความเกิดขึน้นแปรรวนแตกดับของมันไปด้วยเหี้ยหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรียนรู้ภาคสามไปด้วยเน่การเรียนรู้หนึ่งสองสามมันก็จะไปด้วยกันไปเนี่ยเราะฉเราฝึกไปก่อนถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปภาคสามเราก็เรีนภาคสองไปก่อนจับแยกให้มันชัดๆก่อนทันใดเรียรู้สึกดูแบบธรรมาชาติทบทวนอีกทๆ รู้ึกโดยแบธรรมชาติรู้สึกโดอแบบธรรมดาอะไราก็อะไรเป็นสือทําขึ้นแต่ความรู้สึกโดยจากธรรมชาติจะทําขึ้นไงเราให้ค่าความรู้สึกโดยแบบใดมากกว่ให้ค้าความรู้สึกแบบธรรมชาติเป็นมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ธรรมชาติมี่กับเข็งแรงขึ้นไงประมาณนี้เราลองเรียนรู้ไปงี้นะ อ, อืเอ่อเรีเยนรู้ไปงโมทนาโมทนาเอ่อ ใช่ฮ <Hello. S 2> ัลโหลใช่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกลัสวัสดีพ่ะอารค่ะค่ะขอสรุปคนค่ะค่ะสรุปเลยนะคะค่ะขอ้ขอที่หนึ่งนะคะก่อนฝึกภาคภาคฝืนนะค ะ, ะ, ค ะ, ะ, คะปกติก็จะเป็นคนใจร้อนนะคะก็ตอนนี้พอมีเครื่องกดมันก็เลยเหมือนเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือให้เรากลับมามีสติได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็รับรู้อารมณ์ต่างๆต่างๆได้เยอะขึ้น แล้วก็ที่สำคัญพอมาฝุกภาคสองที่ที่จะต้องฝืนทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบมันก็ทําให้เราวัยต่อความรู้สึกนั้นเร็วขึ้นโดยเฉพาะไอ้ช่วงฝึกเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยอันนี้เร็วมากเลยแต่ว่าฝืนเรื่องที่ชอบเนี่ยยังยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็แล้วระหว่างการฝึกเนี่ยค่ะจุดอ่อนที่พบ ก, ก็คืออารมณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันเร็ว มันมันเกิดขึ้นรู้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีก็ตามันไม่ทันค่ะสติง่ า, งงายๆเหมือนกันก็เกิดจำวิจิจร ม, รรรร ม, มนโนกรรมกายกรรมมาตลอด่ะคะ่ะสตะิไม่ยังยังไมอยู่กับตัวยังไม่อยู่กับปัจจุบันหยุดแข็งก็คือพอพอได้มาฝึกเนี่ยเราจิตเราก็เริ่มรู้ไวขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มีเครื่องมือแล้วก็คือตัวกดนะคะ่ะที่ช่วยเรียกสตใิให้เราให้เรารู้ตัวได้เร็วขึ้น อารมณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยเราเห็นง่ายขึ้นเลยอ่ะค่ะเราเร า, เรารู้เรารู้เลยเราก็ฝุนที่จะหยุดมันได้ทันนะคะแล้วก็ใจยเย็นขึ้นนะคะพอใจยเย็นขึ้นเราก็แก้ปัญหาต่างๆด้วยสติได้ดีขึ้นนะคะเราก็ทํากิจกรรมต่างๆได้แบบไม่เบื่อไม่ฝุนอะไรเงี้ยค่ะก็สา ม, มารถทําสําเร็จทํางานสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะค ะ, คะการปรับหยุดอ่อนก็คื อ, คอตอนนี้ก็ใช้ ตัวกด่ะคะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เรากลับมามีสตินะคะแล้วก็เราก็จะมีการฝึกตัวรู้เป็นช่วงๆแต่ละขณะเพื่อให้เกิดความชํานาญอย่างต่อเนื่องที่จะเราจะได้รู้ตัวรู้อะคะ่ะการรักษาสมดุลเมื่อเจอจุดจุดแข็งก็คือพยายามอยู่กับตัวรู้ให้สมบุเสมอให้อยู่กับมันได้นานที่สุดนะคะเมื่อไม่มีสติเราก็จะพยายามกลับมารู้ตัวคือมันจะหลงได้นะคะแต่ว่าเราก็จะพยายาม เมื่อเมื่อรู้ว่าหลงเราก็จะเริ่มเริ่มที่จะกลับมารู้ตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะค่ะก็คือรู้ว่ามันหลงไปแล้วก็ช่างมาเราก็มาเริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็พยายามจะไม่ปล่อยให้มันหลงไปเยอะมันก็จะมีหลงบ้างหลงปุ๊บอ่าะเรารู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้เราหลงแล้วเราก็ต้องรีบหยุดมันนะค่ะแล้วก็ในส่วนของการฝึกและพัฒนาจากเดิมได้อะไรบ้างคือเราเห็นอารมณ์ความไม่ชอบชัดเจนมากเลยค่ะแล้วเราก็หยุดมันได้เร็วทำให้เรามีสติ ทำงานได้ดีแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างใจเย็นนะคะแล้วก็เราสามารถ<ม>ลดลดการพูดลดวิธีการกายกรรมที่ไม่เหมาะสมลงได้เยอะคะ่ะแล้วก็พอเราหลงเนี่ยเร า, เ า, าก็กลับมามีสติรู้ตัวได้เร็วอ่ะคะ่ะแล้วก็เราสามารถทนจับสถานการณ์ต่าง ๆ, ๆซึ่งเมื่อก่อนเราจะไม่ทนเลยค่ะเีนี้เรารู้สึกว่าเออเราทนได้ดีขึ้นทนได้ดีเพราะว่าเราเราเลิกเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับตามความจริงจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็จะนาไปใช้อะไรบ้างก็คือพยายามจะสร้างวิเนในการชุดอารมณ์ช่องไม่ชอบเนี่ยให้มันชัดเจนค่ะไม่แล้วก็จะให้มีสติในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยด้วยเหตุผลด้วยคามเหตุปัจจัยของมันที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะแต่พยายามไม่หลงไปกับอารมณ์แล้วก็จะไม่สร้างกรรมต่างๆพยายามรับรู้แล้วก็ปล่อยผ่านนะคะจะไม่ไปร่วมกับอารมณ์ให้มันยืดยาวะคะ่ะแล้วก็จะพยายามอยู่กับปัจจุบันพยายามรู้แบบสั้นๆรู้เขอบ่อยๆอ่ะคะ่ะ กตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำมานะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้มีโทยที่เกิดขึ้นต่อนื่องแล้ยาวนะคะ่ะพระอาจารย์นี่ก็คือสรุปนะคะที่เกิดมาใ น, ในใข้อที่สองค่ะระอาจารย์เนี่ยเนี่เวลาเวลาเราเราเวลเราเวลาเราเนโทษไหมองคการที่ว่ากิจกรรมวิจกรรมักรรมเวลาเราไปทำตามตามอารมณ์แล้วมันมีผลเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมค่ะ เห็นชัดเจนเลยค่ะแล้วพอเราฝุนได้แล้วเราซึ่งมันสงบมันเบาสบายขึ้นจริงๆค่ะบาอาจารย์เออเนี่ยขอให้เห็นโทษมันบ่อยในการทำตามารมณ์เราก็จะกลายวิจกรรมมนุษกรรมเป็นตามอารมณ์เขาเรียกว่าเราเริ่มเป็นวิบากเห็นวิบากเห็นอารมณ์ที่มัจะมีคนน่ะแต่เช่นเราไปด่าเข้ามาบอกแบบกระดาษตอบเนี่ยเออเนี่ยมันได้เรียนรู้ใช่ค่บาอาจารชัดเจนมเลยขาเดี๋ยวเขาปวดตอบเอาเราก็ได้เรียนรู้ตัวเราเองอีกเนี่ย มันจะเห็นเมืเ่อเมื่อเมื่อมันเห็นโฟตวนี้ก่อนเข้าไปเข้ามันจะมีกําลังในการเรียกว่าฮีรีโอตาปาจะเกิดซิเพราะละอายทั่วเกรงกลัวต้วองบังคับของโปรตอนนะ่ะแต่มันจะเริ่มมีการระว่างปฏิกิาาริยาการปฏกิริมโนกรมนะัมได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นไหมค่ะค่ะอันหนึ่งไม่ไม่ก่อยรู้จักอันหนึ่งไหมความพยายามไะไรนะที ไ, ไม่ยมไหมยุดยั้งความพยายามที่ไม่หยุดยับ พยายามที่พยายามเนี่ยเราไปศึกษาตรงนี้ดูนะ อ, อย่าใช้ความพยายามเออพยายามแล้วเดี๋ยว ม, มันจะเป็นความผิดพลาดตีกทตามตัวเองไปค่ ะ, ะ, คะที่ไม่พยายามอ่ะทํายังไงเราไปเรียนรู้ดีๆเนี่ยพยายามที่ไม่พยายามแหละอืะก็ปล่อยให้มันลุกไปตามธรรมชาติเนี่ยค่ะท่านส่วนให ญ, ญ่เราพยายามเพื่อควาพยายามทตัว เ, เ, <อ>เองเอเอแล้ว ความพยายามที่มพยายามคือทําไปตามหน้าท no no ี man, no <es ่เฉยๆเรื่อยๆแต่ไม่เฉื่อยเรื่อยเรื่อยเฉยเฉะนะมีความทำแต่จิตนะจิตนะมีความใจแต่จิตนะไม่ได้พยายามที่จะเอาชนะอะไรค่าความตั้งใจแต่จิตไม่ได้เอาชนะอะไรอืมขอกบบขอสักขอการที่จะได้เรียนรู้มันได้ไหมเรียนรู้มันจากที่มันเป็นเป็นได้บ่ามเคารพมัน ไม่พยายามเพื่อจะเอาออกไม่พยายามจะเอาหนีหรือพยายามจะเอาเข้าหรือพยายามจะเป็นอะไรนี่แหละควากับพยายามพวกนี้เป็นความพยายามเพื่อความพยายามเพื่อส่าปัญหาค่ะแต่ปัญหาเนี่ยคือแต่รู้สึกพอได้ฝึกฝึกฝึกฝึกฝืนก็ดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะรู้สึกเออเราเราฝึกได้เราหยุดได้เร็วขึ้นเลยอค่ะบอาจารย์มักำลังใจขึ้นเยอะ ค่ะใช่ใช่รู้สักว่าเฮ้ยมันทําได้เหมือนกันนะเราสามารถได้หยุดในสิ่งที่เราเคยเคยเคยตัวเคยเป็นนิสัยของเราเลยเนี่ยก็สามารถหยุดไปได้จริงๆแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเออมันดีจริงๆอะคะการมันมันไม่หลงต่อมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราสร้างกรรมอะไรเพิ่มขึ้นได้ง่ายแล้วค่ะอาจารย์เออเอเริ่มผห็นแล้วค่ะมันนี่นี่แล้วก็แลวก็อันหงนหนคือ เราพยายามที่จะเรียนรู้มันด้วยแนตะ่คือภาคสามเนี่ยเป็นภาคการที่จะยอมรับแล้วะเรียนรู้อยู่กับมันให้มีโอกาสได้เห็นได้เรียนรู้อารมณ์นะั้นเองาเนี่ยคือเราจะไม่น่ามาเรียคิดก็คือคิดอารมณ์ก็คืออารมณ์ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเห็นไปจะตายเนะี่ยทำไมเราถึงขอบไปทะเลาะกับอารมณ์เนี่คิดก็คือคิดอารมณ์ก็คือแค่นั้นเองมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จากรอบรงรูปหนึ่ ง, งลแล้วก็ผ่านไปไม่ต่าจากกลิ่นหอมที่ผ่านจมูกเป็นที่ผ่านจมูกเราแต่เราส่วนใหญ่พยายามพยายามเวลาไปทําอะไรพวกเราจะพยายามเกินน่ะเกินที่จะข้ามควมรู้แค่มันจะเกินไปเรื่อยๆดังไอ้โอกาสในการเรียน ร, รู้รเรียน ร, รู้มันเกิดขึ้นดั้งอยู่แล้วแตกสลายมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วการจะเรียนรู้เรื่องราวเพราะมันว่ามันมาอย่างไงมันปออกเพื่ออะไร แล้วมันเกิดกได้แบบนั้ดำรงอยู่ย้ายแต้วมันเติบโตไปแบบไหนแล้วเป็นทุกอย่างไงมันจะไม่คิ้นเขาไปแทรกส่มันลดพฤติกรแต่ให้มากเริ่มพฤิกรรม่เรียนรู้เพิ่มขึ้นให้อีกความรู้สึกัวแบบธรรมชาติที่มันอะไรเกิดเพราะพุสธรรมชาติค้นให้้อาเกิดก่อนเริ่มห้รู้ไม่ได้หว่งความรู้สึกจังหวะสอง ค่ะแต่กวัดสองจังหวัอสองคือครูได้ยินเสียงก่อนแล้วเคยรู้ก็ปริศาก่อนแล้วเคยรู้คิดก่อนแล้วไม่รู้อ ย, าย่าน ง, งานี้เรียกป็นจังหวัดสองมันจะเป็นเรื่องทีแบบวัดหนึ่งก็นเลยจากนั้นไปมันจะเป็นความรู้สึกที่จะเข้าไปจัดการสริงๆมันรูมนนมน้มันคิดมันจะคิดมันจะคิดนี่ยเราต้องระวังค่ะเนี่ยมันต้องมันจึงบางทีเราดูละครหรือดูดเรื่องราวไม้ทันจบไม่เห็นตัวละครไม่เห็นตัวองค์ประกอบของมันก็เลยไม่เข้าใจมจริงๆ ค่าเลยเลยเลยใแจ้งและภาคสามก็คือการเปิดใจที่จะเรียนรู้มันโดยไม่แสกแซกโดยไม่แสกแซงเลยเนี่ยป่อยให้เขาเกิดอ่าให้เขาเกิดอยากให้เขาเกิดมันไม่เห็นเป็นอะไรเกิดแล้วจะมาก็ะดับอยากก็อยากแต่ฉันแต่ฉันแค่ไม่สมยอมค่ะเป็นใจเพราว่านี่ไหมค่ะอาจารย์ เออแล้วลองสัมผัสไอ้ความรู้สึกตัวธรรมชาติกับทางสึกให้มันสอดคล้องกันให้มันไปด้วยกันสบายสบายได้กันอะไรเนี่ยอันเดงกมากเกิไปในการดูมันตรงตงนะอ่าไม่มีราคาอาจารย์กับรักกการขอพระคุณค่ะอาจารย์นนอาจารย์อาจารย์ค่ะได้ยินไหมได้ยินค่ะเออเป็นยังไงบ้างร่อยฟังหน่อย ก็ฝืนได้ไมเเ่เท่าไหร่อะคะ่ะพี่จันเพราะอะไรไม่ค่มีอะไรที่ก็เปล่าข้อเรื่องที่เราฝืนมันเหมือนกับมันไม่ยากเท่าไหร่มันก็เลยไม่ได้ได้ยินอะไรทั้เท่าไหร่อะคะ่ะเรื่องที่ยากเราก็ไม่เราก็ไม่เอามาทํา ใครจกขอเราไป ภาคสามท่ทยังไงดีล่ะภาคสามก็สงสัยว่าภหนึ่งก้บภาคสยังไม่เข้มแข็งเลยค่ะอาจารย์แล้วเราไล่ไปเรื่อยจริงๆในภาคสามก็มีด้วยนั่นแหละภาคสามคือป้ายขการศึกษามันมาแต่ขอให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นหน่อยค่อยๆเห็นว่าเออแต่เก่อนเราไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเราจะฝึกมันยังไงพึกมันยังไงเข้าใจยังไงจุที่เราจะรู้สึกตัวเองบ้างรู้สึกเอาได้ได้ทันรู้สึก ถ้าหลงได้ทันอสนใจตัวเองได้มากขึ้นสนใจใกลสนใจใจได้มากขึ้นก็ฝึกไปขั้นแกหนึ่งผ่านสองแล้วต่อดารงจิจิวัติไว้ให้มีข้อวัดให้สัเสิตสามประการหนึ่งตัวรู้ที่สังสิตอธิไว้ตัวรู้ที่สังสิตเนี่ยแต่ต้องแค่รู้กพอแล้วอย่างอื่นจะเกิดจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดเป็นอะไรช่างมันไม่ได้เกิดแบบไหนช่างมัน เน่ตัวรู้ที่สัจตสคือราบุเราจะปลุกสิ่งตัวรู้ของเราอย่างเดียวพอไม่มาเรื่องอื่นเนี่ยตามด้วยการฝึกรู้แบบรู้สึกแบบธรมชาติจะรู้สึกแบบทำขึ้นเพื่อปลุกตัรู้อย่างเดียวพอที่ใช้ตัวรู้สัจติสองใช้ข้อวัดตนที่สองคือใช้ในกฎกติกาของตนเองเช่นต้องทำให้ได้ทุกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานของเราอ่ะ ไม่แม่นงไม่ว่าจะมีอะไรเกขึ้นมาฉันต้องทําให้ได้ฉันจะไม่ผัดฝัประกันพวงก่อนถึงเวลานี้ต้องทําแล้วจิตมันจะเริ่มรู้หน้าที่เข้ามาัาเองเราทําอันนี้ไปนะแค่สองอ่ะเออแค่สองอันนี้เป็นหลักแล้ ว, ลวเราค่อยๆเห็นความแตกต่ตางไปแล้วพอฝืนไปด้วยค่ะฝืนไปด้วยรู้ทันบ้างไหมรู้ทันบ้างก็อ๋อโมจนาคุณครูค่นะคุณครูอาจารย์่ เค่ะนามสกัน ก, กับค่ะง่ายอ่ารู้สึกว่าไอ้อันที่ที่เราบอกว่าเราฝืนเะนี่ยคือเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ฝืนที่จะไม่ทําอันนี้ที่หนูเข้าใจนะการแต่หนูว่าทุกวันนี้ที่หนูยังฝึกยังฝึกอยู่หนูไม่รู้ว่าหนูยังไม่ได้ไปภาั้สองเพราะหนูไม่ได้ไม่ได้ฝืนกับอารมณ์หนูแค่ ใช้ชีวิตออยู่กับตัวรู้รู้แค่ว่าเหมือนรู้ว่าเรากําลังถูกบ้านสัมผัสการถูกบ้านรู้ว่าเราร้านจานเราก็รู้ว่าร้านจานรู้ว่าเรากําลังโกรธก็อืมเรากโกรธแต่เพียงแค่บางครั้งเราก็ทันตัวรู้โดยที่ไม่แสดงอารมณ์โกรธออกไปมันแค่อยู่กับ ความโกรธเนี่ยมันัแค่อยู่กับตัวเราแต่ไม่ทันความโกรธนั้นก็จะเหมือนไปกระทบกับคนที่เรากำลังโกรธนะคะเหอือนน่ค่ะที่ที่ที่หนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนของหนูว่าได้แค่นี้หนูหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมีความสุขขึ้นกับการที่มีสติรู้ตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ว่ามันรู้ มากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะอ า, าจารย์อืหนูก็ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าฝืนหรือเผลอเนี่ยในในในในการฝึกเนี่ยมันมันคืออะไรของหนู <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเผลอเพลินของหนูก็คงจะแบบยังก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือหนูมีความสุขกับการหลับพักผ่อนแต่ว่า <c oughs> หนูก็ไม่หลับพักผ่อนแบบ ทั้ทงวีทั้งวานหนูก็คือหลับตอนกลคืนแล้วก็ตื่นตอนเช้าและในระหว่างวันหนูก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นไปหนูก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ที่เราเผลอเพลอกันเนี่ยคือเราแค่ไม่ได้ตื่นตีสี่อย่างที่เราตั้งใจเราเผลอเพลนหลับมากกว่าเวลาที่ที่ตั้งใจไว้ซึ่งถ้าจะเรียกฝืนอันเนี้ยหนูว่าการฝืนฝืนตื่นตีสี่อ่ะ หนูยังทําไม่ได้เลยในเดือนนี้ที่หนูตั้งใจว่าหนูจะทําให้มันได้ค่ะค่ะอาจารย์อืมอืมอืมแต่เส้นเขียดถูกไหมว่ะแต่จริงๆตรงนะัที่บ้านเนะี่ยบางครั้งเราโกรธแต่เราไม่ออกเอา<ะ>เอาอกไปดันกิจกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนั่นก็ฝืนแล้วนะอ๋อค่ะอย่างเช<ะ>่นอารมณโกรธมาเกิดอยู่ข้างในแต่เราไม่ออกออกมาข้างนั่นก็เรกว่าฝืนแล้วนะค่ะเออ หรือไม่จะมีควา ม, วามอยากหนูนึกว่าการฝืนคือการการทําอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เอ่อเที่การเปล<ม>ี<อ>่ยนที่ใแล้วเราฝืนทํามันได้หนูนึกว่าเป็นแบบนั้นไงคะอาจารย์มันมสองมันมีสอ ง, ม, ม, สองมันมีสองอย่างหนึ่งเราเราเริ่มจากภายนอกแล้วก็สู่ภายในบางคนเริ่มจากภายในเข้าสู่ภายนอก อ, อย่างยมนัทยมนัทเริ่มจากภายใน การฝืนเช่นอารมณ์ที่โกรธเกิดขึ้นมันอยู่ภายในใช่ไหมแต่เราไม่ทำตามกายกรรมวจีกรรมวโนกรรมที่เป็นออกไปข้างนอกนี่ก็เรีฝืนแล้วนะส่วนอีกอันหนึ่งคือการฝืนภายนอกเพื่อสู่ข้างในคือเช่นการฝืนลุกขึ้นมาตอนตีสี่เนี่ยเป็นภายนอกไม่ต้องลุกส้นตีให้ได้นะทำตีสี่ให้ได้นะเนี่ยเป็นภายนอกพอฝืนฝืนภายนอกพวกมันจะมีผลสะท้อนต่อกันเพราะมันเกิดอารมณ์ฝืนฝืนอารมณ์ข้างในด้วยโดยใช้ใช้ภายนอกเป็นหลัก เนี้ยในบางคนเช่นว่าฝืนจัดด้วฉันฉังขนมเนี่ยแล้วฉันกินบ่อยๆกินบ่อยๆกินบ่อยๆพอ น, นี้ฉันจะฝืนไม่กินขนมกันนะเนี่ย ก, ก็จะถอดจากภายนอกแล้วก็ไปชำระภายในค่ะเออบางคนเล่นภายในโดยตรงเลยเช่นฝืนอ่ะเนี่ยฝืนความอยากไม่ทำํำตามความอยากโดยเ อ, เอากายกรรมวิจีกรรมวโนกรรมไปทําตามฝืเหมือนกันเนี่ยอันนี้อันหนึ่ง ต้องฝึกฝืนนั้นหนูคงต้องต้องต้องฝึกฝืนเยอะๆเพราะว่าแบบหนูอยากฝึกให้ให้ตัวรู้แล้วก็จิตหนูแข็งรงขึ้นเพราะว่าของหนูยังไม่แข็งแรงความเพียรหนู ย, ยังไม่แข็งแรงนะัดเวลาหาเงินนะ่ะหาเงินน่ะไม่เห็นเลยว่ะแต่เอาน้นอยๆออเลยเดี๋ยาคนน่ะไปสะดดจังเวลาเท่านั้นสะดดจังเลย พาาย์ก็ดีแล้ว ด, ดูเปลี่ยนใหม่ละหนูจะหาเงินทางทำให้เหมือนตอนหาเงินโลกแล้วค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นแน่นอนค <và S 2> <อ>่ะ อ, อาจารย์ที่พ อ, อาจารย์พูดกำลัง<ๆ><า>พูดถึงว่าทำไมเราสันโดษน้อยจังทั้งที่มั น, นมีความพยายามได้เยอะเลยแหละแต่ความรู้สึกแบบธรรมชาตินี้เยอะขึ้นไหมควรู้สึกตัวธรรมชาติที่ไม่แทรกแซงอะไรอ่ะอเออที่นั้นหนูจะบอกว่า อันที่สองที่เดือนหนึ่งอันเนี้ยค่ะหนูกดตัวกดน้อยมากเลยพระอาจารย์แต่ว่าออออแต่หนูว่ารู้สึกว่าชวนะใช่ดีขึ้นหนูเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองแล้วก็เหมือนแบบคือปกติเวลาเห็นอะไรไม่เข้าหูไม่เข้าตาก็จะขี้บน่น ง, งูงิงใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่บน่นก็จะแบบอืมนวาวก็เข้าใจก็ทันบ้างไม่ทันบ้างจะส่วนมากจะทนัน กว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนนี่หนูจอแบบไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็เหมือนหนูอยู่กปบหญิงเนาะหนูก็หนูว่าหนูทำให้ไม่ลดการเ้าเรียกว่าจุกจิกกันน้อยลงอะหมายความว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่สร้างความหงุดหงิดใจให้กันได้ได้ได้ไดีขึ้นคือไม่ได้พูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจกันคือมองผ่านบางอย่างไปที่มันไม่ได้เป็นค่อ n t สำคัญในชีวิต ออแล้วก็แบ่นปันให้กับคนรอบข้างได้ไม่ไม่หงุดหงิดง่ายแล้วก็อยู่กับสติดได้ดีค่ะอาจารย์ทีนี้การฝึกอ่ะถ้าเราฝึกแบบไม่ได้ใช้ตัวกดมากๆฝึกแบบธรรมชาติน่ะพยายามหัดรู้จังหวะสองให้เยอะขึ้นเข้าไวเข้าเข้าใจเข้าไปจังหวะสองไหมไม่เข้าใจหมายถึงว่า ถ้าเป็นทางกายนะได้ยินก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยอ๋อค่ะพระอาจารย์เกิดก่อนแล้วค่อยรู้อย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาเกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้เกิดก่อนแล้วเราค่อยรู้นี่ก็คือจังหวะสองจังหวะสองนี่จะเป็นธรรมชาติมากเลยที่เราฝึกทำอยู่นะเมื่อก่อนแล้วค่อยรู้มีรมก่อนแล้วค่อยรู้อันนี้เรือจังหวะสองส่วนมากหนูก็เป็นแบบนั้นค่ะพระอาจารย์เกิดจังหวะสองเนี่ยถ้าเรารู้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยทีนี้ต้องรู้ต่อไปว่าเมื่อมันได้ยินได้เห็นหรือมันคิดนึกแล้ว มันเมื่อเรารู้แล้วปุ๊บมันจะมีอยู่อยู่อีกอันหนึ่งว่ามันจะพยายามจะทำอะไรกับมันอีกจะทำอะไรกับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้คิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราต้องรู้เราต้องหัดไปดูอีกทีหนึ่งว่าข้างในกาลังจะทำอะไรต่อจากนี้<ฆ>ต้องหัดลงไป<ฆ>แล้วคขอ ย, อยากหยุดพฤติกรรมนั้นซะแล้วมันจะกลับมาสู่แบบตัวรู้สึกตัวแบบธรรมชาติ<ฆ>ขึ้นเออบางครั้งเราไม่ค่อยทันตรงจุดเนี้ยพอรู้แล้วนะ<ฆ>แต่ว่า รู้แล้วแต่ว่าหยุดพฤติกรรมในการที่จะมันจะมีพฤติกรรมรซ้อนใหม่อีกทีหนึ่งวะอาจจะอย่างเช่นอ่ะเรารู้สึกอยากพออยากปุ๊บเรารู้แล้วว่าอยากปับ๊บทีนี้มันก็จะเริ่มมีความคิดนึกที่จะทําตามความอยากนั้นเนี่ยเนี่ยก็เลยแบบจงังหวะเนี้ยเราต้องรู้ให้ทันด้วยอืมค่ะพ้ย่ะมันจะสร้างแบบเนี้ยหรือเวลามันมันโกรธขึ้นมาปับ๊บเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือโกรธนะนี่จงังหวะแรกคือสติจําได้แล้วผมเป็นอย่างงี้นะ เสร็จแล้วมันจะมีจังหวะโกรธแล้วต้องว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ต้องรู้จังหวะนี้ด้วยที่มันจะมีผลสะท้อนนะ่ะเพราะไอ้ตัวนี้ถ้าเราไม่ไม่รู้พฤติกรรมของมันนะ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้พฤติกรรมมันนะแล้วเราจะเริ่มหลงเข้าไปทำพอหลงเข้าไปทําปุ๊บ ก, กยาย ก, กรรมบนโนกรรมพิจิกรรมพัฒนองต่อ ป, ปรับเนี่ยไอ้จังหวะทุกเรื่องมันจะเริ่มรวนทันทีเลยตัวธรรมชาติจากไหนไปมีแต่ตัวปรุงแต่งทําขึ้นมาเรื่อยๆแล่เาต้องกา แล้วถ้านอยากแบบอยากลุกขึ้นมาตีสี่ให้ได้เนี่ยหนูต้องคิดยังไงดีอะคะอาจารย์ถามเหมือนถาเหมือนแบบว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่ถามไม่ยากหรอกคนคิดถึงแบบว่าเราต้องการลุกมาหาเงินนั่นแหละสาธาจ่าสาา เ, เ แ, แบบเอ๊ะทำไมเวลาอยากจะได้เงินเนี่ยเราทไมต้อง ต้องนอนเด็กนอนตื่นตื่นแต่เพื่เช้าตื่นแต่เร็วได้ยังไงเนี่ยทีนี้เราอยากจะหาเงินทางธําเหมือนกันอยากเอาช น, น, นะตัวเองอี่ยเ่าชนะนี่แล้วก็เอาแค่แค่ฉนันอยากจะชนะตัวเองก็นั่นแหละแล้วก็เห็นกิจกรรมนี้เป็นจิตยามศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ต้องเคารพมัณอ์เนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นต้องเคารพเคารพความศักดิ์สิทธิ์สองเรื่องตอนนี้ เราโรคความสับสนคือกติกาที่เราตั้งไว้อันที่ส อ, องเขารคความสับสนในใจเราคือตัวรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่สังเกตนะอาศัยการรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปแตะต้องอารมณ์อื่นรู้แล้วรู้แล้วดูอารมณ์อื่นเฉยเฉยไม่มีการปฏิเสธไม่มีการต่อสู้ในใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีการทําอะไรรู้เขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราจะไม่เป็นอย่างอย่างเขาค่ะพระอาจารย์ถ้าเคยทำได้ไห รู้อย่า ง, งที่เขาเป็นแล้วเราจะไม่เป็นอย่างเขาค่ะเข้าใจคะ่ะคือรู้จิตตัวเองว่าจิตตัวเองเป็นอะไรเพื่ อ, อที่จะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่ที่ตามใจ<า>มใจิตดูเข้าใจถูกไหมคะมใช่ใช่ตามที่เขาเป็นอหละในเช่นรู้ความโกรธแต่เราไม่จะเป็นไปตามความโกรธเขาเรียกว่าคนนั้นแหะรู้ความโกรธรู้ความอยากแต่ไม่เป็นไปตามความอยากในี่ก็เคนนั้นนหละ รู้ความอยากจริง<ะ>รู้เขาอย่างที่เขาเป็นเช่นโรกรธโกรธลงเขาเป็นยังไงก็รู้อยากเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่ไม่เป็นตามเขาจะยอมรับเขาว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่<ะ>ต้องมีเรื่องนี้ด้วยแต่ทำ<ะ>ไม่สมใจตามตามเท่า น, นั้นเองสองฮัตตูเดอร์เ<ะ>นะีส่วนส่วนภาคสามก็คือส่วนส่วนภาคสามคือภาคขกค า, คารเรียนรู้นั่น<ะ>แหละแล้วก็ทไปเขาได้ทาไป แต่อย <ermo unlimited> <te plays> ่าใช้งดดมาอการเงิน <Kind> ฉ <enough> ันไดหาทำฉันนั้นนะสาธุสาธุสาธะสาธุา